p a m a คุณ ท, ที่เจอมนาะถั่วถึงหยาดคายและแต่ละเห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆนี่คือภูมิปฏิบัติธรรมะพวกเราท่านเป็นนักบวชเป็นผู้แสวงธรรมะแสวงบุญคือความสุขก็คุณที่นี้ทีเจอมนะางอจิตขนะเข้ามาหายในอย่ากสงออกไปหายนอก ถึงยาเรามีโชคดียิ่งกว่าสมัยพุทธกาลหรือคืออาจารย์รุ่นก่อนๆเดี๋ยวใดจึงว่าเรามีโชคดีตาพวกอย่างนั้นตาพวกเราท่านดูดมาหรือเกิดมาตาสเน่แห่ใสใสใจมาทุกคิดทุกทาำทุกไม่ได้ ปูกคนทั่วไปรู้จักที่จะทำบุญทุนทางกับนมกบวชตลอดถึ้งที่ดตที่ อ, อาศัยวัดวาอ า, ารามคืออาจารย์ที่สังประพฤติปฏิบัติมาก่อนแต่คนนี้สอนให้เขาเกิดศรัทธาและสั่งเอาไว้วัดคือดีด้วยหานสาลาทุกสิ่งทุกอย่างน้ำไฟถ้าหนึ่งผ้าหม่ม อ, อะไร ความสะดวกสบายเพราะทำต่างเอาไว้จิงเหล่านี้ถ้าเราในที่นิ้ที่จะมาสวดผีเ่าง่ายความจิงแล้วกาจะเป็นกติเป็นเวลาสิ้นเสียเวลาตันงมานลำบากยากเย็นกาจะไดพักไดอาสัยขึ้นด้ถึผลบัตมอย่เราจึ้ง เราคิอว่าคนผืนโชคลาบอันหนึ่งซึ่งหลวบมาในตรงก่อสร้างแปลงอะไรหนักหนาวัดวาทางต่อสั่งให้ที่อยู่ที่อาศัยกับตีอิหารตลอดถ้งทางหนึ่งทางหมพอเป็นพอไปอาหารการกบฉันกับล้อเสือมีพอขบขวาฉันในอดอยากอยากเย็นอะไร หน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของพระของเนเมื่อสะบวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรยลืมตัวไม่คิดว่าการทําแต่ละสิ่งแต่ละอันกว่าจะเป็นสึ้นมาได้ล่ำด่างเย็นทาไมมีตัดใจที่จะต่างเขาเราเองก็ต้องทํา กำลังรองของกายลำบากกว่าจะได้แต่และสิ่งแต่ละอันมาเป็นเกจีวิหารผ้าทอนทำสบายเสมอกันเย็นมากก็เลยลืมหลงบาปเดามามันลำบากอยากเย็นขนาดไหนกว่าจะเป็นผ้ามไม่มาเห็นได้ลาบากเป็นปีปๆเขาทํากัน กว่าจะเป็นฝ่ายเปนอะไรมามันลำบากไม่ใชิงง่ายจิตมาตั้งมาทอกันลำบากกว่าจะเป็นผื้นขึ้นดาบมีเรามีสมบูรณ์ทุกอย่างบาแบอหยาดโยมคาะว่าทีนีี ใจใส่ศรัทธาหามาบริเวาเราได้สะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติพูถึงอาหารการกัดฉันก็เหมือนกันไม่ใช่ชงง่ายๆกว่าจะได้นะแต่ละจิ้นแตละอันข้ากขดยู่มาเป็นปีกว่าจะสุกออกเราออกควันให้กว่าจะมาเป็นข้าวสุกถึงปากพึ่งคอพระ มันหากลาบากเรารู้เราพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ควรนอนใจตายใจพระที่สามาเนมคือบวชในศาสนาหรือนักบวชถั่วไปทางธรรมด้วยไหมคำสอนของนักจากคำสอนเอาไว้ให้เป็นคนเลี้ยงง่ายให้เป็นคนรู้จักสามาให้เป็นคนรู้จักตน ว่าคุ้มเคยเหงื่อเลื่อนต้นให้ที่นี้พี่เจนนะขว้างทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้มาด้วยความศรัทธาบูชาสุภาพขึ้นปฏิบัติและใ่เขามาให้อย่างคว้างทึ้งไม่มีคุณค่าราคาอะไรเขาให้ด้วยความเป็นใจเ้าให้ด้วยยก แออกมาจากมือของเขาเขายินดีเห็นว่าการทําบุญทุนทานการให้ผ้าอาหารจะผู้กระเพลตปฏิบัติจะเป็นบุญเป็นกุศลต่างหาเขาถึงให้ถ้าหากเขาไม่คิดอย่างนั้นเขามายอมให้จะไปซื้อต้องเป็นเงินเป็นทองไม่เจริญของเขาขว้างทิ้ง เมื่อเราพีนที่เจอหนาอย่างนี้เราต้องตังหน้าต่างตาประพฤติการวาจาใจของเราให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่งอะไรที่อยู่ที่อาศัยน้ำไฟทุกอย่างเมื่อสะดวกสบายอย่างนีเราเลยลืมตนลืมตัวไม่ตั้งหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติรักษา ทำด e si ีในหยิตใจของตนการใช้ต่อยกินต่างๆก็มีคิดถึงคุณคุณค่าของมันว่าก็ได้มาอย่างไรท้องไหนมาตัวต้องการอะไรใจก็เลยไม่ตื่นมีอะไรก็ใช้ไปกินไปอยู่ไปโดยไม่คิดถึงว่าการอยู่ของเขาการกินของเขาหนึ่งหอมของเขา เขาให้มาต้องการบุญตัวของเราเป็นบุญเป็นกุศลหรื อ, อยังวันหเราได้ทาอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่โลกมันจะทําึงทีนี้ที่เจ้านะจิตใจก็เลยนอนนี่งไม่มีวันที่จะตื่นเมื่อตื่นตัวประกอบความาความเขียนได้ถ้าหากเราเน่ดชิด สิ่งเหล่านี้มาสอนใจของเราเราจะตื่นตัวต่อพื่ปฏิบัติเรื่องความผาความเพียนเพราะทุกสิ่งท้งอย่างสมบูรณบริบูรณแ ล, ล้วไม่มีอะไรหน้าที่ของเรามีแต่จะตั้งใจกระพื่ปฏิบัติให้จิตของตนส ง, งบเป็นสมาธิเกิดปัญญาวิชาิมุตยิ่งจะถูก ตองตามพุทธประสงค์สี่พระพุทธเจ้าทรงตั้งสอนถ้าเรานอนใจตายใจไม่ได้ที่นี่พิจารณาอะไรเพียงใดอยู่ไปอยู่ไปจะกินก็กินไปนิ่งหงุดก็นิ่งหงุดไปเดียวเพียงชายสติปัญญาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นเขาไหมาเพื่ออะไรเมื่อเรามีอะไรที่จะให้ตอบแทนเขาเราก็เป็นหนี้เป็นสินเขา คนเป็นี้เป็นศินมีความสุขความสบายที่ไหนเราจะมาเป็นเปรตในเครื่องแบบหลอกลวงโลกเขากินมันไม่ถูกต้องประพฤตปฏิบัติเป็นสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีไม่ใช่ปฏิบัติชั่วอย่างไรมันจะดีให้ทำอย่างนั้นกายก็วท่าความผากความเพียเดินโยมโกรมภาวนา ต่างหาวต่างตาทำจิตวัดจิตเขาต่างก็หามาให้เพื่อตอบแทนสนองบุญคุณของเขาก็ดีวิหารเรามาอยู่ไปบินธบาตหรือจากไปหน่อกวัดก็ต้องปิดประตูหน้าต่างหนีคือนขวัดของพี่สุสา ม, ม, ม, ม, มะเนรขววัดของนักบวชไม่เปิดอ่าวไว้หน่อกฝนตกมา ใครเล่าจะมาปิดให้ของสงฆ์ที่เราชาเราซอยเป็นเสือเป็นหนอนทางเราไม่ปิดไว้ฝนตกมาลมสาดเข้าไปมันก็เสียหายตลอดถึงกระดานมันก็ซุ่มก็เสียไปเหมือนกันดังนั้นเมื่อเราเลยอยู่ในวัดในวาเราจากไปบินถบาศหรือจากไปที่อื่นเราไม่ได้อยู่กติวิหารต้องรักษาให้เป็นข้อวัด นอกจากนั้นถ้าหากเราไม่รักษาแบบนั้นเปิดอ้าเอาไว้คนที่เป็นโจรเข้เมามามองเห็นเขา้าว่าพระเจ้าพระสงฆ์มาอยู่ประตูหน้าต่างอะไรก็ไม่ปิดเขาไปสวยหยิบเอาไปก็อเสียสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆขวาปรปฏิบัติทุกอย่างต้องเป็นหน้าที่ของตนพาะนักบวชไม่ใช่เด็กต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่เพราะที่อ่ารู้จักหน้าที่ การรักษาสิ่งของต่างๆได้ตรงนี้ตรนสอนตนว่าเพื่อปฏิบัติให้ถูกถ้าไม่ถูกมันไม่มีความสุขมันไม่มีความสบายมันไม่เป็นใจถึงความดีความรู้เสียให้เราต้องพิจารณาให้ทั่วถึงผสุภติปโนผู้ปฏิบัติดีจิจวัดทุกอย่างต้องดี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 ทางกายทางวาจาก็พูดสิ่งที่เป็นอัตเป็นธรรมอดสันเลขาคาถาเครื่องขาดเกลเลดปัญหาออกจากใจอยา่าไปพูดปิรชานในกาถาคือคุยกันไปโดยไรประโยชน์ไม่มีเหตุมีผลอะไรมี่จะพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารถ้าหากพูดกันไปมากเข้าใจก็ขาดสติ ที่นี่ที่เจรนาเรื่องของตัวพูดเลยเถิดเลยแดนไปใจเลยติดเลยค้องในสัญญาอารมณ์ที่พูดไปทางสวีในแผ่นจับอาบัติละฉันนกถาห้างพูดาฝ่าหืน้นพูดไปท่านกรตัตอาบัติแต่เป็นพระเป็นเน ปรับอาบัตก็คือปรับบาปตปรับทุกในเสทางดีทางวิเศษฉะนั้นจึงต้อ ง, งระวังรักษาแต่งใจตัวยิ่งเปงนของละเอียดเข้าไปถ่ายใจไม่นึกไม่คิดมันก็พูดไปไม่ได้เพราะวาจาออกมาจากการนึกคิดเชี่ยก่อนแต่นึกคิด ไม่มีสติกำกับรักษาในมีปัญญาสืบสอบความผิดถูกชั่วดีมันกกคิดไปจึงเกิดเป็นติลาฉาณกะถาพูดคุยกันไปสิ่งต่างๆนานาทางโลกทำให้จิตใจกำเริบในทางชั่วทางเสียฉะนั้นรักษาให้ดีทุกอย่างสุติตาหน้า ต, า, ตาประพฤติปฏิบัติกายรายจา ใจของตนดีถึงยิ e ่เลดยังมีกฏตหน้าต่างจะไปคึยปฏิบัติเพื uta, bait, ่อกำจัดกิเลดของตัวไปนอนใจตายใจทุกวันทุกเวลามั่นพิจิตรเจนะตัวตาศีลของตัวสมาธิของตัวใจของตัวจะมั่งเสมออยู่นี่เชื่อผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดี คนที่ปฏิบัติดีตั้งหน้าตั้งตารักษากายวาใจจิตของตัวอยู่อย่างนั้ น, น, นไนม่วันใดวันหนึ่งความดีความวิเศษจะเกิดขึ้นให้คือจะสงบเข้าไปถิ้งใจใจจะเย็นใจจะเป็นสุขเห็นบุญคือความสุขในจิตในใจของตนพะจิตสงบพะจิตไม่เป็นบา นี่เป็นสุปฏิปันโนเบื้องต้นเมื่อจิตสงบพิจิรณาทางธรรมะก่าสามารถี่จทราบได้เรื่องต่างๆนานาเรื่องผิดถูกเ่วดีเพราะจิตสงบจิตเป็นสมาธิเราเหมนี้อคติสิ่งได้เป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้น ตามเป็นจริงของมันเจ่นพิจรารณาธาตุขันธ์ร่างกายของตัวก็อาจจะแยกคายลางไปพอใจเป็นสมาธิใจสงบใจมีอคติพิจารณาอะไรที่ว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนเป็นคนเป็นสัตว์อาจสามารถทราบไา้พอกายถ่วไปไม่ว่าส่วนใดแข่งขา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 ดินน้ำลงไฟมี่คือถาดทั้งสี่เราจะแยกแยะดูให้รู้ให้เข้าใจก็พอแยกแยะได้สิ่งใดที่มีความเข็นแข็งเขาก็เรียกว่าถาดบินเข็นผมขนเล็บฟนนันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ในกาย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 ดินได้ที่ยังแข็งแก่งอยู่อย่างกระดูกรานตีกว่าสิ่งนั้นจะตายเป็นยินไปแต่ตอนนี้ไปไม่ได้จะต้องเป็นฐาน ด, ดินลงเป็นดินตามสภาพของมันส่วนถานน้ำก็เหมือนกันจริงที่เหลยวเ อ, อือบอาบตามตัวของเราเป็นต้นว่า น้ำลายก็ดีน้ำหมูกมก็ดีน้ำมูดก็ดีน้ำเลือดน้ำหนองก็ดีน้ำเหลืองก็ดีนำ้ดนำดีนำ้ำเสลตก็ดีที่นี่อยู่ในกายของเราสิ่งเหล่านี้มันกวจะตายไปเป็นน้ำตามธรรมชาตถัดขันข้องมันมันจะลงไปอย่างนั้นถ้าดเดิมข้องมันเป็นอย่างไรมันจะไปอย่างนั้นเราเคยเห็นคนตายที่เขามาฝังมาเผา นานาๆเข้าถ้าเขาไม่เผาเขาฝังจะเหลือแต่กระดูกเนื้อหนังเอ็นจะต่งองเปลี่ยไปเป็นดินน้ำที่อยู่ในกายก็เหยียดหายไปซึมซาบลงไปสู่ดินหรือเป็นไอขึ้นอากาศส่วนลมไฟเป็นธาละเอียดหมดไปง่ายพอ ออกจากล่างเท่านั้นไม่กี่นาทีไฟมันก็หมดคือเย็นทั้งตัวความอบอุ่นไม่มีลมหายใจมันก็ไม่มีจะเหลืออยู่ในท้องในไส้เรามันก็จะหายไปทํานองเดียวกันอีกไปเป็นลมีม่ธาตุทั้งสี่เป็นอย่างนี้จิดที่ในเดชที่นี้จะพิจารณา คือว่าเราว่าเขาว่าสัตว์มาบุคคลความจริงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเป็นแต่ธาตุทั้งสี่ประกอบกันเข้าเท่านั้นถ้าหากพี่เจนาเข้าใจชัดเจนเห็นด้วยจิตของตนก็ไม่มีทางสงสัยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์เมื่อทราบเรื่องของตัวอย่างนั้นว่ากายไม่ใ่เราเราไม่ใช่กาย แลวความสําคัญมันไหนยึดถือมันก็ไม่เกิดขึ้น่านจึงวละละักละสกายทิคิคือไม่ถือกายว่าเป็นตนไม่ถือตนว่าเป็นกายไม่ไมถือกายว่ามีในตนไม่ถือตนว่ามีในกายจิตจะต้องเข้าใจประจกักษ์ชัดเจนอย่างนั้นนี่คือการละการเห็นในจิตในใ จ, โ ด, นจนโดยการพินิจพิจารณาโดยการปฏิบัติ ดีของตนจิตเมื่อเข้าถึงขันนั้น่านก็ว่าเป็นพระพระอะไรพระโสดาเคลีลดอยับหยาบไปได้ราักายาพิจิวิจิจิฉาไม่มีทางสงสัยในจิตในใจของตนว่าคนสัก์มีหรือไม่หรืออะไรที่สมุทโลก เป็นอย่างไรก็พูดตามเขาแต่จิตของเราสราดซั ก, กประจกักษ์แจ้งอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดจะสงสัยภายในตัวเพราะเข้าใจประจักษ์สมมุติไปตามโลกของเขาเพราโลกมีสมมติเราก็ต้องสมมุ ต, ไตมมมิตไปตามเขาแต่เราไม่หลงในสมมุติเข้าใจเห็นจริงประจักษ์ในจิตในใจของตนไม่มีทางสงสัยไม่มีการลูบการทํา ทีรัตมะตัปามาเพอความจริงมันเป็นอย่างนั้นจะไ้รูปคำอะไรกันเมื่อจิตใจรูจ้เห็นเด่นชัดเป็นจริงอย่างนั้นทางสมเป็นพระคือประเสริฐขึ้นควรที่จะหลงจะติดจะข้องไม่หลงไปตามสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินพอพิมพิจัยนาภายในเข้าใจเด่นชัด ไม่มีอะไรนอกจากสมมุติความจริงเป็นอย่างไรได้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วนี่คือการาที่นิ่พิจาราการปฏิบัติรักษากายใจท่องตนถ้าหาวิธีเจนาภายในวิธิเจนาเข้ามาสำลักใจท่องตนจะอยู่ในวัดไปจีปีจีพรรษาก็ไม่มีเวลา ที่จะละจะถอนที่เหลือปัญหาได้มีแต่จะลุ่มหลงเเผลอเพลินติดข้องเหื่อยไปตัวคงตัวก็ตามมีตัวพรจิตมันชั่วจิตมันปรุงจิตมันจิตมันข้องเข้ามาเป็นพระเป็นเนีนก็เป็นแต่เพศแต่จิตเป็นพระเป็นเนีนหรือไม่พระแปลว่าวประเสริฐประเสริฐอย่างไรจิตใจยังมีราคาตัญหา มีโลภมีโกรธ ม, ม, ม, มีหลงอยู่หรือหรือห่างหมดไปแล้วทา ย, ยังไม่หมดทําไมไหนชำระสาสาง้าหมดไปแล้วทําไมจิตใจจึงกระวนกระวายอยากอันนั้นต่อการอันนี้ไม่มีวันเพียงพอ บ, อบอริบูทความวับถิติปัตติพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ติดตามแต่เรื่องกิเลสตัณหาหยู่อยุ ไปในแห่ไห น, น, นไมูน่นใดก็วิ่งตามไปนี่หรือลูกศิษย์ของพระตถาคตของพระพุทธไถ่จังท่ า, ทาทนดีดีเศษเป็นสาวกของท่านได้ท่านพระพุทธแบบเราคิดแบบเรารุงแบบเราเ ห, เหรือถ้ากคุ้มแบบเราคิดแบบเราติดข้องแบบเราจะมาปฏิเสธปริเสธดีเศษอะไรตัวของเราก็ระตมีตัวของเร า, เร า, เราได้อยู่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 ก็ดีไปได้เป็นธรรมะไปได้ถ้าหากไม่ประพฤติตาตธรรมชั่วราคาตัณหามันก็เป็นทางชั่วทางเสียไม่มีอะไรที่จะดีวิเสียให้ใจก็เดือดร้อนวุ่นวายตัวเองกกต ม, มิดตัวเองผู้พิจารณาแล้ว็คงต ม, มิพราะเราไม่ดีเราเห็น เด่นอยู่ในตัวของเราว่างตัวของเราไม่ดีถึงจะทำกิริยามาไยากถ้าทีสงบระงับแต่จิตใจก็ไม่สงบระงับให้เลยเป็นพระผู้ปฏิเสธไม่ได้เป็นเนรสมณะผู้สงบไม่ได้ต้องพิจรารณาภายในสอนกายสอนใจของตนจึงจะเป็นพระเป็นเนรที่หน่าสักการะบูชาทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทบเบิกมาให้เราเด็กทักษาอาศัยในขบฉันหนุหม่มห่มนัว่าโชคอันประเสริฐดีเศษเราไม่มีอะไรที่จะเป็นภารกิจคิดปรุงเพื่อจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อีกนอกจากแต่ํำระจะะิตใจของตนวันคืนที่ผ่านไปตั้ตงหน้าทำความเพียรพิจารณาละกิเลส ทำไมทำแบบนี้การบวชกว็ไม่มีคุณค่ า, าะอะไรเลยบวชเรื่องกิเลสของตนกิเลสหนา้า ว, ว, วันเติบโตเจเริยนก่าวหน้าเพราะใจในอยู่วัดอยู่วังจะคว้าหาต่างใจสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาให้ใจเสดใจจิดใจคิดใจปุงทั้งที่อยู่ในวัดเป็นพระ แต่เพศเมื่อมันเป็นอย่างนั้นนั้นก็ไม่เห็นคุณวิเศษคือทางที่พระพุทธเ จ, จา้าสอนเงไม่เห็นคุณวิเศษก็เกิดสงสัยว่าเราไม่มีอำนาบาตศาสนาะบวชมาก็เลยได้รับความส ง, งบสาบายจิตใจวุ่นวายกังวลก็เพราะเราไม่รักษาจะให้มันส ง, งบ มันสบายให้มันผนทุกผนภัยด้วยการส่งใจไปติดขวองกระดึงภายนอกกรเดึงนอกทำเข้ามาที่นพิจรารณาสําละใจใจมันจะสะอาดผ่องใสยอย่างไรนวันที่จะมื่อนิดปิดบังด้วยใจเพราะภาะในไมไ่ทำจิตการงานหนักเหมือนคระว่ามีแต่ฉันแล้วก็ หลับนอนกันผูกคุยกันในเรื่องกิเลฉานาการฉาเรื่องกิเลสตัญหาต่างๆราคะปัญหามันก็กําเริบเพราะมันเลยมีควาเมเหน็ดเหนื่อยนื่ยหิวนี่แตกินแต่นอนนี่เป็นเรื่องเสริมกิเลสของจิตของใจกายก็มีกําลังใจก็มีกําลังทางชั่วทางเสีย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 ตั้งหน้าประเภทปฏิบัติยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็ น, นไม่ตาวันนี้วันหนาเราจะทําให้รู้ไห่เห็นให้ดีให้เด่นเราเราไม่ทําไม่มีใครที่จะทำให้ท่านสอนใจทังท่านอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาต่างหน้าต่างตารักษาต่างหน้าต่างตาระกิเลสอารมณ์ปัญญาที่ผ่านมาตัาดออกไป ท้ออกไปไม่ใช่ทางทํดีในในเส็จทางที่จะทใจใําใจเห็นบริสุทธิ์่านจะต้องรู้ร่วมของท่านตลอดวันตลอดเวลานี่คือผู้มาบวชมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีของตัวถ้าตัวดีรู้เห็นทําีในเด่นชัดภายในใจมันเย็น ไปสถานที่ใดเย็นคนอื่นจะเดือดร้อนมุ่นหมายทั่วโลกนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาร้องให้เย้ยใจแทนที่เราจะเป็นไปอย่างเขาเราก็ทราบดีว่าที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปจากจิตที่จิตถือของถือเสาถือหมอถือหนูสาบเรื่องของจิตตัวเองตามเป็นจริงจิตจิตเมตเป็นไปแบบนั้น เดือดร้อนกวนก้าวเดือดร้อนร้องไห้ลำพัน์